วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่หนึ่งเดือนมิถุนายนตรงกับวันแรงสิบคำเดือนหกคนไทยทุทกคนแล้วก็ไม่เฉพาะแต่คนไทยแล้วก็ทุกชาทุกภาษาทุกเพศทุกวัยมีจิตใจคาย ค, า ย, คายกัน ไม่มเมนนะท่กันเหมือนกันนคำว่าคล้ายๆกับเหมือนกันนั้นหมายถึงอะไรอาจจะเข้าใจไม่ตรงกันคําว่าคล้ายๆกันเหมือนกันคือทุกคนต้องเกลียดทุกขรักสุขทําไมเราเกลียดทุกขรักสุขเข้าใจว่าปมสุขนั่นแนหะมันเป็นหน้าที่ทุกคนจะทนได้แต่ทุกนี้ ทุกคนไม่ต้องการแต่ก็จําเป็นเมื่อมีสุขกละทุกข์ก็ต้องตามมา ท, าทันทีเมื่อมีทุกข์สุขก็ต้องตามมา ท, าทันทีเป็นอย่างไรพูดทุกเราเรียกว่าทุกภาษาเนบ้านเราภาษาธรรมะเรียกว่าโลกคำพูดมันไม่เหมือนกันคำว่าโลกนี้มันก็ต้เป็นทุกเป็นโลกอะไร โรคเจ็บหัวโรคปวดท้องหรือเป็นโรคอหิวาโรคอะไรก็ตามต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลอหิว่าโรคคนใดมีโรคเป็นทุกข์ทางนั้นแต่พวกเราก็เรียกวุฒิคำว่าโรคนี่ก็หมายถึงจิตใจแต่โรคร่างกายทางเนื้อหนังนี้เราจะไปฟากฝังคนอื่นช่วยรักษาเราได้อย่างที่หมอโรงพยาบาลสามารถที่จะรักษา โต่างๆได้แต่ความทุกประเภทที่หมอรักษาไม่ได้ก็มีเหมือนกันตัวหมอเองก็ต้องตายด้วยโรคเช่นเดียวกันโรคประเภทที่รักษาไม่ได้ดังคือโลกหังใจโรคทางวิญญาณดังนั้นพวกเราเป็นคนไทยฟังคำพูดของคนไทยบางคนก็ยังไม่เข้าใจ บางคนก็เข้าใจอย่างที่หลวงพ่อพูดนี่ <c oughs> ถ้าหลวงพ่อพูดเป็นภาษาเมืองเลยแล้วคนทั้งภาคกลางภาคเหนือภาคใต้ฟังไม่รู้รู้เฉพาะคนทางอีสานคนภาคอีสานาสาบางคนก็ไม่รู้คือมันเป็นภาษาท้องถิ่นเราก็พอรู้กันได้ดังนั้นเราเป็นคนไทยศึกษาหลักพระพุทธศาสนา คำว่าพัพุทธศาสนาเนี่ยหมายถึงอะไรเนี่ยเราไม่เข้าใจแต่คนอื่อนอาจจะเข้าใจหลวงพ่อไม่เข้าใจแต่ก่อนคำว่าศาสนากับพุทธศาสนาเนี่ยศาสนาเนี่ยคือสอนเรื่องให้คนติ ด, ใ ห, ตดให้คนติดเป็นบัตถุคนจะไปติดสุขพุทธศาสนานสอนไม่ให้คนติดสอนให้คนรู้ให้คนเห็นให้คนเข้าใจเอง ก่อนที่จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีนั้นมันต้องทําตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้ดีแล้วสัตว์ทั้งหลายคือเราแต่ถาพสัตว์ทั้งหลายเหมือนเราแต่ถาพคันว่าคือกันก็มีแขนขาหน้าตามือเท่าเหมือนกันคือกันเป็นผู้หญิงผู้ชายมีคือกันแต่ดีใจเสียใจก่อมีคือกันนี่เหมือนกัน น, นั่นก็เรียกคนหรือปู่ทุกคนมันต้องเป็นอย่างนั้นดังนั้นคนเราทุกคนต้องรู้จักหน้าที่การงานของคนถ้าหากคนเราไม่รู้จักหน้าที่การงานของคนแล้วคนนั้นไม่ใช่คนแต่เป็นคนแข้งขาหน้าตามือเท้าเป็นคนแต่จิตใจนั้นไม่เป็นคนอันนี้สําหรับผู้ที่มีตาทิพย์เห็นอย่างนั้น ไม่ใช่ตาทิพนั่งอยู่ที่นี่มองเห็นตับไตใส่ปอดทะลุไปอย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นอันนั้นความคิดของปุถุชนต้องคิดไปอย่างนั้นดังนั้นตาทิพหูทิพสมัยครางพระพุทธเจ้าท่านสอนกันนิดเดียวก็เข้าใจเพราะคนมันมีปัญญาพอที่จะเอาไปใส่ได้แต่คนใดที่ไม่มีปัญญาก็ต้องฟังหลายครั้งหลายหน คนได้มีปัญญาฟังครั้งเดียวหรือสองครั้งก็เข้าใจได้ดังนั้นคำว่าเหมือนกันเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้ว่าสัตว์ทั้งหลายเราพูดเป็นปถาคตไปถึงแล้วแหงนั้นแล้วจึงนำมาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราตรถาคตนี้ ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอย่างเราสถาปนีท่านสอนแต่เรื่องศาสนานั้นมันมีมาของพระพุทธเจ้าอย่างที่ศาสนาพราหมณ์ศาสนาฮินดูเป็นศาสนาดึกดำบรัพ์สอนให้คนรู้จักดีแล้วการรู้จักขั่วและชั่วทาดีแต่ยังไม่รู้ถึงว่าที่เป็นโลกด้วยทุกข์นั่นนองพระพู้ได้เจ้าท่านวดทุก สมุทยัยนิโรธมักเรียกว่าอริยสัจสี่พวกต้องกำหนดรู้สมุทยัยต้องละมักต้องเจริญนิโรธทำให้แจ้งเราพูดกันได้อย่างนั้นคำคำนี้แหละมันไม่เข้าใจแต่เราพูดได้เพราะเราไปเรียนตำราจดจำออกมาพูดกันแต่การกระทำนั้นไม่รู้ดังนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าจะรู้ล่วงหน้าไม่ได้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 คำว่าโลกเนี่ยโลกคือดินฟ้าอากาศพูดโลกคือมูสัตว์โลกคือหมูสัตว์มูสัตว์ก็คือคนไม่ น, นี่เองดี๋ยวสัตว์มนุษย์สัต์เดรัศรานันมีประเภทอย่างนี้วันนี้เราไม่เข้าใจโดยสัตวเราจะเป็นมองเห็นตั้งแตง่สัตสี่เท้าทองเท้าสัตว์เดรัศราศ น, นั้นสอนไม่ได้สอนไม่ได้ เพราะมันไม่รู้จักดีชั่วแม้แตจะสอนมันได้ก็เพียงขณะเดียวเท่านั้นเองอย่างตัวฟางเนี่ยบ้านหลวงพ่อเขามีฟางกันบางคนสอนนั้นเปลากไม้เอาเครื่องหนักๆไส่ให้ใหมันมันปลยเรื่อยๆไปแกจะให้มันทําอย่างที่มันดูจิต ด, ดูใจเขามันสอนไม่ได้อย่างวัวควายก็เช่นเดียวกันสอนไถนาคาดนาบ้านหลวงพ่อทำานาสอนได้แต่เพียงแค่นั้นเท่าั้ ซ้ายหัวหรือยังไงสอนมันเลยแ่จะสอนให้ดูจิตดูใจเธอที่สอนไห้ได้แม่สุนัข ก, ก็เช่นเดียวกันแต่มันอยู่กับคนแต่สอนมันเรียกมันมาได้ไล่มันนี้ไปได้เป็นอยังนางนั้นจะบอคนเนี่ยมันควรศึกษาให้รู้ให้รู้จักหน้าที่ของคนจริงๆถ้าหากไม่รู้จักหน้าที่ของเราแล้วเราเป็นสัตว์เราไม่รู้ว่าเราเป็นสัตว์ อย่างที่เราเคยพูดกันนะฮีริผมละอายแก่ใจแรงไปโอต ป, ปะโมเกงกลัวตัวบางอันนี้หลักสูตรผู้ที่เคยบวชเรียนเขียนอ่านนักธรรมทั้นตีแต่บอกว่าไม่ได้อเรียนเพราะเขียนหนือไม่เป็นอ่านหนังสือไม่ได้พเพียงแต่ครูบาอาจารย์เราให้ฟังก็ต้องจดจํานํามาเล่าสู่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันฟังดังนั้นคาว่าฮีริผมละอายแก่ลียใจ คนใดทำพูดคิดไม่มีความละอายแก่ใจเราจะว่ายังไงมันก็เหมือนกับสัตว์โดยสารนั่นเองสัตว์เดยสารมันทํามันพูดมันคิดมันไม่ละอายเลยโอตบ่าความเกรงกลัวนการทําการพูดการคิดไม่เกรงกลัวต่อความผิดพลาดไม่เกรงกลัวต่อคนใดมันก็เหมือนกับสัตว์โดยสารนั่นเองแต่แข้งขาหน้าตามือเท้าเหมือนท่าน ดังนั้นนักตราร์หรือบัณฑิตท่านผู้รู้กล่าวเอาเลยว่าคนใดไม่มีผมละอายต่อการทำการพูดการคิดท่านว่าร้ายเหมือนกับสัตเธรามที่เองเส้นสามีภรรยาอยู่ด้วยกันเนี่ยบางทีสกต่อยกันนี่หลวงพวกเคยได้ยินในบ้านหลวงพ่อทางนี้จะพูดอย่างไรไม่ทราบ อย่ามายุ่งนะลูกตัวเองก็เคยพูดอย่างนี้อย่ามายุ่งนะลูกกูใจใหายนะนี่ก็รู้จักอยู่แล้ววใจใหายทําไมยังไม่ทิ้งเอาไว้ทําไมอันนั้นพูดได้ไม่รู้จักเดี๋ยวเตะนะตีนะเดี๋ยวเบืงเพราะกาปั้นเพราะแม่มือเดี๋ยวพอแสงหิ้ห้อยเข้ามาอย่างนี้เดี๋ยวเบื้องหนะ้ากันไม่ไม่เห็นเนอันนี้แหละจะเดาว่าไม่มีความละอลายไลยเท่ากับสตัตร์ใตรัีเดียวสตัตว์ในรัศมีเจ้าของเอาเข้าให้กินทุกวัน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 อย่างที่พูดแล้วเมื่อกี้หมอไม่เห็นลูกก็ไม่ถือว่าลูกตัวเองภรรยาสามีก็ไม่เคยว่าเป็นภรรยาสามีตัวเองแต่เมื่อมันเป็นโลกขึ้นมาจริงๆแล้วโลกชนิดนี้แหละมันร้ายกาจที่สุดแล้วก็มีในสัมีในคนแต่มันไม่มีในคนแต่มันมิดมันไม่มีในสัตว์ทำไมจึงมันไม่มีในคนเราทำมัไม่ได้สิ่งที่เราทําได้มันมี สิ่งที่เราทําไม่ได้เดี่ยวมันในนี้ในขณะที่เราอยู่เดียวนี่ยอันยโกดนะโกดลองดูที่โกดไม่เปลี่นมัดยันแยกัไม่โกดโกดไม่เป็นเนี่ยเพราะมันไม่มีในเราเอาวันนี้ทำความรู้สึกตัวเนี้ทํากํามือต้องรู้สึกรู้สึกตัวได้แสดงว่าสิ่งที่มันมีกับเราเนี่ยเราไม่สนใจเราไปสนใจสิ่งที่ไม่มีในเรามันก็เลยไม่รู้จักอันนี้หลักพระพุทธศาสนาสอนมาแค่ จงให้ทุกคนทํากลมรู้สึกตัวตื่นตัวทำกลมรู้สึกใจตื่นใจเหมือน ก, นกันกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทว่าสัตว์ทั้งหลายเราผู้เป็นตถาคตไปถึงแล้วแห่งนั้นแล้วจึงนํามาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายจงกระพฤติปฏิบัติตามอย่างเราตรถาคตนี้ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอย่างเราตรถาคตนี่เนี่ยถ้าเราทําเหมือน ก, นกันกับพระพุทธ พ ร, พ, พระพุทธเจ้าจริงๆแล้ว ต, ต้องเห็นต้องเป็นต้องมีเหมือนกันกับพระพุทธเจ้าดังนั้นคนจึงไม่มีตาทิพย์เมื่อคนใดมีตาทิพย์ก็ต้องมองเห็นอย่างที่พระพุทธเจ้าเห็นยังนั้นการเจริญสติหรือทําคมรู้สึกตัวนี่จึงมีค่ามากที่สุดจะเอาเงินไปซื้อไม่ได้จะรักษาศินให้มันเป็นยังนนก็ไม่ได้จะไปทําคมสงบให้เป็นยังนก็ไม่ได้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ ทำได้ทำวิธีไหนอย่างที่เคยพูดให้ฟังนั่นเนี่ยการทําการพูดการคิดให้มันรู้สึกตัวเคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็ให้มันรู้สึกตัวควมรู้สึกตัวมากขึ้นมากขึ้นควมไม่รู้มันก็หายไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดเช่นเดียวกันเหมือนกับถ้ำเนี่ยในถ้ำเนี่ยพอดีเป็นถ้ำมาเป็นรู้ มันมืดมาอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาแต่คนที่เข้าไปในถ้ำนั่น่ะแต่รู้จักว่าถ้ามันมืดแต่คนที่สลาดนะ่ะจุดไฟขึ้นกลมมืดมันหายไปทันทีแต่คนที่ยังไม่สลาดนี่อะอยู่ในถ้าไปทางไหนก็ไม่รู้ก็อยู่ที่มืดนั่นเองเปรียบเทียบให้ฟังเป็นเรื่องสมมุติเปรียบเทียบให้ฟั ง, ง, มมฟงถ้าเราอยู่ในถ้ำนะถ้าเราจุดไฟขึ้นคมสว่างมีขึ้นมาเอาไฟมาไว้ข้างหน้าเน่ย มืดเปนมาข้างหลังคัดเอาไฟมาข้างหลังมืดมันมาข้างหน้าเอาไฟมาข้างซ้ายมืดมาข้างขวาเอาไฟมาข้างขวามืดมามาข้างซ้ายเพราะความมืดมันอยู่ที่ที่ศอกเราที่ที่นี่แหละที่ตัวเรานี่แหละวันนี้ไฟมันจับอยู่ข้างไฟมันอยู่แต่ความมืดมันลงมาอยู่ข้างหลังบัดนี้เมื่อเราลื้นจากวันนี่มันเป็นถ้าที่มันมืดวิิดแล้วแล้วก็ออกจากถ้ำได้มาอยู่นอกถ้าไม่ต้องจุดไฟ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 คนก็ไปติดตารากว่าครใครกันติดดีกว่าใครใครกันคนติดสุขกว่าใครใครกันดังนั้นพระพุทธเจ้าแท้จริงสอนว่าให้รู้ให้เห็นให้เป็นให้มีเหมือนกันกับพระพุทธเจ้ารู้อะไรเห็นอะไรเป็นยังไงอันนี้ขาดคิดเอาไม่ได้ฟังแล้วจะไปจนจำเอาคำพูดของคนอื่นไปพูดไม่ได้วิธีที่พระพุทธเจ้าท่านสอนที่สุขของทุก ต้องเห็นที่สุด ข, ของทุกนี่ว่าไปถึงแล้วแห่งนั้นแห่งนั้นคือที่คือไปถึงเรื่องชีวิตเรื่องจิตใจชีวิตของทุกคนมันมีอยู่ที่นี้อยู่ที่คนนั่นแหละไม่ได้เดินไปที่ไหนแหละดีว่วะพระพุทธเจ้าตัดสู้เพราะการทําทางจิตทางใจเรียกว่าพระพุทธเจ้าบําเพ็ญทางจิตทางใจการทําสมถะกรรมาฐานทํามาแล้วจนได้สมบัติแปล อันนั้นก็เป็นเพียงสงบหรืรอซนะานหัวนซานซานเป็ว่าเข้าไปรู้แต่ว่าซานพวกเรามันไม่เป็นอย่างนั้นซานของพวกเราต้องเข้าไปสงบคําว่าสงบกับรู้มันมีคําเดียวกันสงบกับคําเดียวกันนะรู้กับคําเดียวกันน่ะแต่เราไม่รู้จักคําว่าสงบนี่ก็หมายถึงการเห็นแจ้งการรู้จริงรู้แล้วไม่งองแงหอนแทน ใครจะพูดเรื่องอะไรเขาเรื่องของคนที่ไม่รู้ก็ต้องพูดไปอย่างนั้นเราเขาจะสงบได้เราไม่ไปสนใจกับคนที่ไม่รู้คนที่ไม่รู้เนี่ยมันจะพูดไปยังไงมันก็พูดเพราะมันไม่มีความละอายคนที่พูดไม่ถูกล่ะไม่ถูกไม่ตรงน่ะจะถือว่าคนนั้นเป็นมีความละอายไหมมันไม่ละอายมันไม่ละอายมาจึงพูดได้อย่างนี้นี่ผมละอายแก่ใจมันไม่น่าอายแก่ใจมัน อดตามพระกลัมเกมกลัวตัวบักมันไม่คิดว่าคนอยู่ที่นั่นจะมีคนรู้เหมือนเราหรือจะรู้กว่าเรามันไม่ได้คิดเลยมันจึงไม่กลัวกับคนอันนี้แหละไอ่ว่าโลกโลกมันต้องเป็นอย่างนี้สับสนวุ่นวายเดือดร้อนเนี่ยเป็นแค่คนน่ะบางคนอย่างที่หลวงพ่อพูดคนอาจจะรู้ดีกว่าหลวงพ่อก็มีที่นี่หรือจะไม่เหมือนหลวงพ่อก็มีหรือจะไม่เท่าหลวงพ่อก็มีเราต้องรู้รู้สิ่งที่เรารู้นะพูดสิ่งที่เรารู้นั่นแหละ อย่าไปพูดสิ่งที่เราไม่รู้พูดสิ่งที่เราไม่รู้บางคนเกิดมีความสนใจท่านทำได้ไหมไม่จะว่าอย่างไงเราทําไม่ได้แล้วก็ทําไม่ได้ทําไม่ได้ท่ามาสอนทําไมนันก็ พ, นพิดสี่รับเนี่ยว่าพูดอวดอุตตริมนุษยสนาธรรมคือทําอันยิ่งของมนุษย์ที่ไม่มีในตนขาดจากคมเป็นพิกษุพิกษุแปลผู้เห็นไทยดังนั้นจีว่ารู้เห็นเป็นมีเข้าใจแล้วก็พูดได้ พูดได้ทาไมพูดให้คนฟังคนมาสนใจก็ต้องสอนเขาได้วิธีที่อาตมาพูดเรื่องนีนี่นะอาตมากล้ายืนยันรับรองนึว่าในตาราเขาพูดเอาไว้พูดที่ทําสติปันสีหรือจเจริญสติปันสีให้ติดต่อกันเหมือนลูกโซ่อย่างนานเจ็ดปีอย่างต่างเจ็ดเดือน อย่างเร็วที่สุดนับตั้งแต่หนึ่งวันหรือจิตวันอา น, นิสงไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดโดยธัรมะหนึ่งเป็นพระอรหันในปัจจุบันพวกนี้ถ้าหากไม่ได้เป็นพระอรหันในปัจจุบันพวกนี้ต้องเป็นพระอนาคามีแน่นอนที่สุดพระอนาคามีนะั่นจะได้มาเกิดในมนุษย์อีกชาติหนึ่งของเทลอยนะนักกัดจะได้ไปเกิดในรูปปลาสีญญ่คน ในอรุปรพมผมไม่มีลูกแล้วก็จะได้ตัดสัรู้ที่นั่นแหละที่เมืองคมนั่นเนี่ยเป็นพระละหันไปนิพพานเลยอันนั้นมันไกลนะอาตมาเขาจะมันไกลคำว่าคมนี่ก็เราไม่ได้เข้าใจพมนี่ก็หมายถึงผมวิหารนั่นเองมีเมตตากรุณามคติเตาเปขาเมืองคมอันนี้ดังนั้นคนจึงศึกษาให้รู้จั ก, จกแล้วก็ทุกคนมีชีวิตมีจิตมีใจเหมือนกัน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 โมหะมันควบคุมไว้มันจึงหนีจากโมหะไม่ได้มันก็อยู่ในท่ามันเองเมื่อโมหะมีอยู่แล้วโลภะมันก็ต้องมีอยู่ที่นั้นเมื่อมีโลภะแล้วโศสามันก็ต้องมีอยู่ที่นั้นคนได้หักละเลิกเลื่อนลดลงลรือหนีจากโมหะโะโลภะไม่ได้คนนั้นก็เป็นโลกประจับเป็นโลกประจัมชีวิต เน็จะมีเงินจากหมื่นล้านแสนล้านก็ยังเป็นโลกอยู่เองคนที่ยังไม่มีเงินก็ตามไม่เนี้ยแหลก็ตามแต่เขาไม่ให้มันหลงตัวไม่ให้มันลืมตนต้องรู้สึกตัวตื่นตัวรู้สึกใจตื่นใจคนนั้นเรียกว่าไม่หลงตัวไม่ลืมตัวคือไม่ต้องไปเท่งเลงคนอื่นมากเกินไปแต่คนอื่นก็ต้องดูให้เห็นดังนั้นจิ่ว โลนเราทุกคนดูด้วยกันศึกษาดกันได้งับลองมาว่าถ้าทําความรู้สึกตัวบ่อยๆทําความรู้สึกใจบ่อยๆความรู้สึกอันนี้แหละมันจะสะสมขึ้นมาสะสมขึ้นมาส ะ, สะสมขึ้นมาความไม่รู้มันจะหายไปทั้งหมดเลยความไม่รู้หายไปหมดแล้วมันจะเป็นยังไงเหมือนกับถอนผมออกจากศีรษะตนี้เองพอได้ถอนออกมาตัว รักผมมตายทาั้ดเลยพอาะที่ถอนออกมาเส้นใหญก็่ต้องตายใช่เพราะไม่ได้เลยผมนี่เพราะไม่ได้กับผลละไมอื่นดังนั้นจึงว่าทำให้มันเป็นจริงๆถ้าพระพุทธเจ้าท่านสอนคนสอนโดยละเอียดและอ่อนที่สุดคำว่าละเอียดละอ่อนในทางนี้เข้าใจนะว่าว่าอย่างนั้นละเอียดละอ่อนะว่าละเอียดละอ่อนเหมือกันเ น, น, นี่เออสอนอย่างปา น, นิษฐ์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 เราไม่รู้มาก็เลยผูกติดไว้มันก็เผ ย, เยตัวมันไม่ได้ดังนั้นจึงว่าให้เราเห็นให้เรารู้ให้เราเข้าใจเรื่องของจิตนี้เมื่อเราเห็นเรารู้เราเข้าใจของจิตแล้วมันเหมือนฟ้ากั บ, บดินมันอ้วนไปทั้งหมดเลยให้ทานมันก็นจะมาที่ตรงนี้รักษาศีลมันก็นจะมาที่ตรงนี้ความสงบมันก็จะมาที่ตรงนี้เพราะเราจใจเห็นที่สุด ข, ของทุกที่สุด ข, ของทุกคือตัวจิต ตัวใจของคนนี้เองชีวิตจริงๆมันไม่เคยรู้ว่าทุกว่าสุขก็ตัวจิตตัวใจของเราที่มันว่าทุกที่มันวัตถุมันว่าเองมันไม่มีคนใดจะพูดให้มันมันพูดเองมันถ้ามันชอบใจมันก็ชอบใจถ้ามันไม่ชอบใจมันก็ไม่ชอบใจทั้งชอบใจและไม่ชอบใจนี่เป็นโลกทั้งหมดเลยที่ไม่ชอบใจมันโลกโลกชนิดมันแสบเผ็ดเรียกว่ามือสีดำ หนูพอว่ามืดสีดำประเดมืดสีขาวที่มันชอบใจเนี่ยโลกอันนั้นเนี่กวโลกที่เลือนลังโลกเลือนลังไม่รู้จักว่าเราเป็นโลกชนิดหนึ่งอยู่ในตัวเราเราไม่รู้มันเลยนานนานขึ้นมามันก็ทำให้เราเดือดร้อนได้โลกชนิดดีใจนี่สำคัญดีใจเราเราเรียกว่ายังไงภาษาบปเดี๋ยวโลภะเนี่ย โลภะจะเกิดขึ้นมาได้เพราะเรื่องอะไรเพราะเราไม่รู้อันไม่รู้นั่นแหละจะว่าอย่างไงก็เพราะโมหะโมหะก็แปลว่าไม่รู้ถ้าเราปราศจากโมหะนั่นจะว่าอย่งอางกว่ารู้สิบตัวเนี่ยอาความรู้สิบตัวจึงมีความากที่สุดและปานิชที่สุดไม่ใช่รู้อย่างไปอย่างมาอย่างนี้อันนี้มันรู้ยากยากอย่างที่เราจะรู้ละเอียดปานิชลงไปคือเราพาลิกตาพลิกดวงตากมือพลิกมือ รู้สึกตัวเลยความรู้สึกอันนี้คนอื่นจะรู้กับเราไม่ได้จังว่าความผิดีลกความถูกต้องคนอื่นจะรู้ก้อนเราไม่ได้จะรู้เหมือนเราก็ไม่ได้แต่รู้เหมือนกันแต่ว่าคาพูดเข้าใจกันในดอรู้เหมือนกันดังนั้นพระพุทธเจ้าแท้จริงสอนว่าสัตว์ทั้งหลายคือเราแต่ชาคตเมื่อยังไม่รู้ก็ต้องเอสาะแสวงหาหาคนทุกนี่เองเมื่อพระองค์รู้แล้วพระองค์ก็เลยว่า ให้ทําอย่างพระ อ, องค์ให้มีสติรู้ในอิริยาบถทั้งตีทั้งสอนยืนก็ให้มีสติอันสติก็ให้รู้นั่นเองเดินก็ให้รู้นั่งก็ให้รู้นอนก็ให้รู้มันเป็นอิริยาบถอันนี้วันนี้คูเหยียดเคลื่อนไหวโดยวิธีกาให้รู้เนี่ยคําว่าคู่เหยียดนี่ก็หมายถึงคู่แข้งคู่ขาหรือคู่ศอกคู่เข่าเหล่านี้นะกำมือเหยียดมือเนี่ยเป็นแบบ กูเหวี่ยเคลื่อนไหวงานเคลื่อนไหวพิษตาเนี่ยมันเคลื่อนไหวอย่างหายใจมันเคลื่อนไหวอย่างนความคิดบันเนี่ยมันเคลื่อนไหวอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาแต่คนเราไม่ได้สนใจเรื่องความคิดอันความคิดเนี่ยมันเป็นอันตรายร้ายกาจที่สุดเราซกต่อย ก, กันกับเพวกความคิดนี้เองนึกว่าเราจะชนะเขาจริงๆริได้ซกเข้าไปชนะเขาไม่ได้แพ้มาเนีย่ยเป็นยังไง ดังนั้นนักมวยแต่มาเคยเตี้ยนนักมวยที่จริงจริงจเขาไม่ต้องไหว้คู่ขึ้นในเวทีต้องซกทันทีซกทิศตรงไหนซกหลุ่ตาซกหลุมตาทั้งสองตาแล้วมันต้องเจ็บตาในเจ็บมากที่สุดเจ็บเหนือทุกสิ่งทุกอย่างนะพอได้ซกหลุ่มตาในมืนตาไม่ได้เลยนักมวยเก่งก็ต้องเหมือนกันใ่วันดูควมคิดพอได้บางคิดเราเห็น เรารู้เราเข้าใจความคิดก็เลยถูกหยุดปรุงไปไม่ได้บัด น, นี้เมื่อเราไปดูความคิดมันเน่ยมันก็ไหลไปเลยไหว้ครูไปแล้วบัด น, นี้เราต้องถ อ, อนตัวออกมาอยู่กับความรู้สึกเพราะความรู้สึกอันนี้เราทําได้ความคิดเราทําไม่ได้มันไม่มีตัวไม่มีตนพระพุทธเจ้าจงว่าเราตถาคตไปถึงแล้วแห่งนั้นพระพุทธเจ้าไปถึงที่สุดของทุกนี้เองเมื่อถึงที่สุดของทุกลัมเหมือนกับที่เราสละอะไรทิศ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 มันพูดไม่ได้ก็เลยว่าเอิ้นหก ป, ปักพูดคําว่าพรา พ, พุทเจ้าตัดผมข้างเดียวเนี่ยไม่ใช่ตัดผมศรีรษะมันเป็นกฎของธรรมศาสตร์มันเมื่อถึงที่สุดแล้วมันจะเข้าสู่สภาพของมันเมื่อมันเข้าสู่สภาพของมันแล้วหมึกอัตมา ก, ก็เคยพูดให้ฟังมีเสื้อในร่อนผูกเสาส้นนั้นผูกเสาตัดดึงตัดตรงกลางมันจะสะท้อนออกจาการมามาติดเสาในตามเดิม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 ไปที่ความสงบเราก็เลยไม่ได้รู้เราเป็นนั่งอย่างพอดีนั่งไปที่ก็ไม่เห็นคนกับสงบจิงบางทีมีของไว้ที่ตรงหน้าเราผู้ร้ายมาเอาของเราไปเราก็ไม่เห็นเดือดร้อนแล้วนี่งถ้าเรามีปัญญาพูดให้ฟังเพียงเล็กน้อยเข้าใจสมมุติเราบ้านเราบ้านหลวงพ่อมีงวมีควายวัวควายไระเภทงูวควายแว่าตามตัวนังผู้เพื่อนเพื่อน้อยตัววัวควาย บ้านหลวงพ่อเรียกว่างวงควุ้ยถ้าไปเลี้ยงงวงเลี้ยงคุ้ยเนี่ยผู้รายดี่ยวมันมากจังวันเลยหลวพ่อได้ยินไปเลยนี่ในข่าวไว้เด็กน้อยไปเลี้ยงคุ้ยเลี้ยงคุ้ยผู้รายมาญาติเอากับเด็กน้อยไปได้อันนี้เราไปนั่งหลับตาก็ยิ่งสบายใจมันมันยิ่งออกไปได้ดีของเสียสงบไหมไม่สงบขันไม่สงบไปทำทำไมก็เพราะไม่รู้รู้อย่างไม่รู้อันนี้ไม่ใช่รู้จริงรู้อย่างไม่รู้ มันไม่รู้มันจึงสอนอย่างนั้นจึงมันไม่มีหินฤกคมน่อายแก่ใจมันไม่มีโอตปะว่าคนอาจจะรู้ดีกว่าเรามันไม่ได้คํานวณเลยจึงว่าหินิกคมนะอายแก่ใจโอตปะพวมเก่งกลัวตบกัมพราะไปสอนคนให้หลงผิดมันก็นมีบาปมีกรรมมากท่านว่หน้าที่ของพวกคนจะเดินไปถึงจุดนั้นได้ทําไมไปหักห้ามไม่ให้เขาเดินไปได้เพราะเรื่องอะไรก็เพราะเขาไม่รู้นั่นเองจะโทษเขาไม่ได้ ดังนั้นจะเป็นเลือกครูอาจารย์เลือกมาได้ต่อเมื่อเราไม่รู้ต่อเมื่อเรารู้เราไม่ต้องไปถามใครเราก็สอนได้สอนอย่างนั้นใอย่างนั้นดังนั้นพระพุทธเจ้าสอนคนทุกเพศทุกวัยทุกชาติทุกภาษ า, ารู้เหมือนกันไม่ว่าเลยว่าจะไม่รู้กันรู้เหมือนกันผู้ยิ้ก็ต้องรู้อันนั้นผู้ซาตุกต้องรู้อันนั้นพระสงฆ์องค์เด่นก็ต้องรู้อันนั้น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 อาตายแล้วมันจะทำอะไรได้เงี่ยไปยางดังนั้นเรื่องสวรรค์ก็ตา ม, เ ร, ม, ตามเรื่องนิพพาน ก, ก็ตามเรื่องฐฐนรกก็ตามเรื่องสัตว์ประสาทก็ตามพี่นำมาพูดให้ฟังมันมีอยู่ที่เรามีอยู่ในทุกคนเนี่ยทุกคนมียกเว้นไม่ได้ถ้าศึกษาให้ทุกอย่าะทุกคนต้องรู้ปิดบังไม่ได้แต่เรามามีควอมหลงผิดอยู่คำคาหนึ่งสัตว์ทั้งหลายจงมีส่วนแห่งบุญ ที่ข้าพระเจ้าได้กระทำลงไปแล้วในบัดนี้เนี่ยเราก็เลยไปตัาธนนะเอาบุญจากคนอื่นและมีส่วนที่จะได้บุญ